ต่อจากนี้ไปจากเรื่อง 28 กันยายน 2532ณพุทธสถาน พอดีนะกับสูตรที่จะอ่าน 4 ทําความเห็นให้ตรงได้ 5 จิตของ ในข้อแรกเท่าว่าคือย่อมเนี่ย เข้ามายืนยันเข้ามาชี้ให้พวกเราได้ๆอธิบาย เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่เรายังๆโมหะเป 8 7 ธรรม 5, น 5. 6 เฝาะลึกชรชัยอะไรน่ะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังแล้วก็ ย่อมจะเข้าใจได้ดีขึ้นมันลึกขึ้นขึ้นจะเข้าใจได้ดีขึ้นมันลึกขึ้นมันๆนานาๆเรื่อง พอได้ฟังมุมนี้เหลี่ยมๆมันจะค่อยๆคลายลงคลายลง อย่างอีกมากมายสมาธิทิๆแล้วมันก็จะมี ภาทึกอ่าผ่านอ่าอย่างง้นอย่างนี้บ้างมัน มันเป็นความรู้ซึ่งเข้าไปหาปรมัตถธรรม เข้าใจชัดๆในสัจธรรมเห็นจริงอย่างเออ เพราะงั้นๆนานาที่จะๆต่างๆนานาเข้ามาขยายสื่อ เอ่อมั่นหรือๆนานานี่นะอาตมาพยายาม การแล้วก็ให้มีเชิงบังคับที่หวานล้อมแล้วก็ให้มีเชิงบังคับให้ นะให้เป็นพรรคเป็นพวกอ่าให้เป็นพวกว่า การมันคืออย่างหนึ่งของคนที่จะทําเอาเพื่อผลประโยชน์ตนหรือเพื่อ นะอาตมาว่าการเทศอย่างนี้เป็น ตัวเราเองหลุดพ้นๆ เพราะมันเป็นสัจจะว่าถ้าเกิดว่าน้ําก็ไหลไปหาน้ําน้ํามันไหล จะเป็นเชิงบังคับบ้างบางบางครั้งบางครั้งก็เห็นว่าเอ๊ะคนนี้นี่ การอธิบายการๆ ฟังอาตมาเห็นอยู่ว่ามันมีน้ำหนักแล้วก็ แต่แต่รู้แต่ยังทําไม่ได้หรอกอีกเยอะเลยยิ่ง เราระวังไม่ๆที่เรายังไม่เป็นเรายังไม่รู้ได้คนอื่น เราจะเทศบรรยายอะไรก็ตามจะเทศบรรยายอะไรก็ตามเราจะมี แล้วคือเขาเข้าใจว่าเราอ่าเขาเข้าใจเราผิดเข้าใจว่าเรา ระวตก็เข้าๆเราไม่ได้เป็นถึงได้ถึงขนาดนั้น อีกลักษณะนึงที่คนเข้าใจผิดว่าอ๋อลักษณะนี้เองอย่างนี้ ก็จะต้องทําอย่างงี้อย่างงี้ก็ได้อ่ามีอะไรแต่อะไรต่างอ๋ออย่างงี้ถูกแล้วล่ะอย่างงี้ถูกแล้ว ท่านทําก็ต้องทําอะไรที่ดีสิอย่างนี้เป็นต้น สภาพเหมือนกับยังความหมายที่ว่าดี มีรายได้อยู่ในระดับเศรษฐีโลก มีผู้ที่ค้นคว้าจะพูดเรื่องอะไรจะมีผู้ค้น อัดทําไว้ทั้งอัดทั้งเป็นทําเป็นตัวหนังสือแต่<น> เดี๋ยวเนี้ยๆนานาสารพัดเนี่ยอาศัยการพูด ทางธรรมะนี่สําคัญต้องพูดแล้วก็เป็นหลัก เป็นเรื่องรามมาๆๆ เป็นกามตัณหาภวตัณหาเราเคย ไม่ๆเลยไม่รู้ว่าแต่ละกี่เรื่องกี่เหตุเนี่ยมัน คนออกมาโลกก็ยังระดมนะโลกยังระดมโลภโลกก็ คุณเชื่อกันมั้ยแล้วคุณรู้กันบ้างมั้ยว่ามันซับซ้อนยังไงแล้วมัน โฆษณาประกาศได้ไอ้นี่สินหน้าเป็นไอ้นี่สินหน้า ถ้าใครจริงๆแล้วแล้วก็เค้าก็ๆ ในเมืองเนี่ยศาสนาๆเนี่ยหมดรสนิยมหมดหมดอัตถา เราได้ๆตั้งแต่สิ่งที่ไม่น่า มันก็เป็นโลกเป็นวัตตะสงสารที่เราได้ลดๆๆการๆ บางอย่างยากบางอย่างโอฝึกฝนอบรมอยู่อย่างนานนานบาง อย่างนี้ก็เกิดจากการฟังเกิดจากเลย แล้วเราก็จะมีกําลังได้ฟังธรรมนี่มีอินทรีย์พละฟังธรรมเกิดอินทรีย์พละนั้นเกิดกําลังเกิดการ ยังไม่อ่ะก็เกิดเป็นไปเรื่อยๆมันไม่ง่ายพวกอะไรก็ปราบยศสนเสิน ละเลงกันมันอยู่เหมือนกันน่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอะไร เขาวัดขีดเส้นแค่ว่าผัวเดียวเมียเดียวนี่แหละ เราก็จะลดลงไม่พูดปดไม่ส่อเสียดอะไรก็น้อย มันจะไปเข้าๆเราเออไอ้นี่มันหยิ่งมันทุจริตโกหกหลอก งั้นเราจะทําอย่างไรให้มันอยู่กันได้ดีสามัคคีผูกกัน คำหยาบคำไม่หยาบแล้วก็จะพอใจแต่ พอมาชานี้เราๆถ้ามีกําลังวังชา แต่มันได้อยู่ในระบบรูปแบบพูดกันนอก มันจะพูดได้ไปให้ฟังให้ธรรมะ ให้มันได้สัตว์ได้ส่วนนะมันจะเป็นประโยชน์คนฟังก็ฟังไม่เบื่อ น่ะแต่ก่อนนี้มันนั่งไม่ติดล้อ 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแต่ เมื่อเราได้ฝึกขัดสุกปรืออบรมว่าเราฟังธรรมได้ธรรมะได้ แม้จะฟังคนที่เทศไม่เก่งเท่าอาตมามันก็ยังพอทนเพราะเราได้ฝึก เพราะคำว่าพูดมากจึงไม่ได้หมายความว่ามันมี ก่อนกําลังวังชาเย็นเทศน์ขนาดนั้นไม่ได้นะเทศน์เช้ากลางวันเย็นเทศน์ๆมากๆ มีก็พูดออกมาจากปากก็มีศิลปะพูดแล้ว อเมริกาภาษาๆแล้วก็เป็นเรื่องถือว่าพูดมากเลยที การบอกสําคัญสามารถทําให้คนเจริญทําให้คน ผู้ในเจริญผู้ในพัฒนาผู้ในก้าวหน้ามัน พูดไม่เสียก็ไม่เกิดดีก็ไม่เกิดพูดเป่าๆพูดไป ก็ดีเจ้าก็ทําถึงกันเทศมีอานิสงส์ใน ไตร่ถามกันเป็นคำเป็นความเป็นและ จะพูดออกไปก็ให้มันเป็นวาจาๆ อยู่เฉยๆนี่เป็นการการกระทําชนิดหนึ่งการกระทําอย แล้วเราก็จะได้เป็นคนที่ไม่อยู่เปล่าไปสร้างสรรค์ สังวรดูแลตนเองดูก็เป็นคนเจริญได้แล้วตนเองเรารักษาวันเวลาของเราให้มีกรรมที ต้องมาสร้างแล้วมาทําหรือพูดเอาไปพูดก็ต้องใช้เวลา การงานใดที่มันสะสมๆในแต่ละ เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญ ถ้าเราเป็นเป็นอย่างแน่ชัดแล้วที่วิเคราะห์วิจัยกุศลธรรมะๆ ให้เราทําทําๆน้อย ว่าเราเรียนรู้ทํางานไปด้วยก็ลดกิเลสไป เป็นผลพรรณของตนๆถ้าอันที่เป็น อะไรใครจะทําการพูดหรือกระทําการงานหรือ การขอร้องก็น้อยลงตัวเราเองจะเป็นตัว เราไม่พักเราไม่เพียรภาษา 2 คํานี้มันลึกซึ้งๆนะอาตมาว่าพวก ประโยคนี้ใครก็ได้เรียนมังเรามาสาธยายให้เห็นความจริงกันนี้ มันจะเป็นลักษณะอย่างไรอาตมาคิดว่าโอ้คนข้างนอกอาตมาไม่จะดูถูก มันอะไรจะลองวนๆเวียนๆอยู่แค่เนี้ยเออเราเราคือ สมดุลสลับสับเปลี่ยนกันไปพอให้ชีวิตไม่เต็มที่เท่า ถ้าทําเนี่ยถ้าใครเห็นมันเป็นหลักการที่ ได้ขาได้คุณอย่างนี้ขึ้นสันติภาพสมัตภาพบูรณภาพหรือจะเอาสูตร หัดเกลามีศีลเคร่งได้มีอาการที่คน ความหมายของการเป็นพรานดลภาพเป็นอย่างได้ เข้ามาเป็นอาคันตุกะจรมาหลับมานอนมาอยู่ใน แต่คนก็อยู่ไม่ได้ทั้ง อยู่นี่เป็นที่อยู่กันอย่างเป็นเสนาสนะสปายะแล้วมีทั้งบุคคลสปายะ ไม่ได้ง้อมันน่าแก่ตั้งซื้อเอาล่ะอาตมาจะพากันอยู่ตรงนี้ ธรรมชาติทําให้มันเกิดสิ่งที่เป็นคุณค่า มันไม่แห้งแล้งโอ้ดีที่ๆนานาๆปรับไปทําไปทําไปอ่ายังไม่ลงตัว แต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปีผ่านๆมันก็จะเป็นองค์ประกอบ เราไม่ต้องช่วยมันมากไม่ที่มันช่วยเราได้มากกว่าช่วยมันมากเพราะมันเป็นเบา แต่ต่อไปถ้ามันลงตัวแล้วนะวงจร ขยายออกไปอีกเราก็จะเสริมสนุนๆ 5-6 ปี 6 อีผลเป็นไปใครอยู่ประจําแล้วก็อยู่ใครจะปักหลักปักแหล่งอยู่ อาตมานี่ก็ยินดีๆเนี่ยนะเราไม่ ถ้าๆไม่ๆทําๆนะไม่มีทางที่จะๆอาตมาจะพิสูจน์ให้ ของพระเจ้ามันมีตัวอย่างหรอกแต่เขาเองนะแต่เขาก็ทํากัน คนก็อยู่ที่นี่ต่อหน้าอาตมาหลั่นๆยังไม่ตายจากกันไป แบงค์ไปเลยถ้าเชื่อว่าอาตมามีเท่าไหร่มีมากหรือน้อยคุณเอาไป คนไหนเค้าทําคนนั้นก็ขอคนนั้นพระพุทธเจ้า มันแบ่งไม่ได้แบ่งบาแบ่งบุญแล้วคําสอนของพระเจ้าก็ไม่ เพราะนี่วิธีกายมาตรวจน้ําตรวจท่าแบ่งบุญแบ่งบาปเล่น และพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ย <c oughs> ตพยายามศึกษาภาคเพียรเกิดมาเป็นชีวิตคนนี้ไม่ได้ไปเอาอะไร อ่าได้สุกแล้วหาอร่อยใหม่ใส่ใส่ตัวเองใหม่วนเวียอยู่อย่าง มันวิเศษจริงๆอาตมาก็ถึงเห็นว่าเอออาตมาก็มีๆเกิดมาเป็น เป็นสาระกว่าปราบยศสนเสริญโลกีย์สูงไม่ใช่สาระเลยเหมือนพยับแดดเหมือนฟอง เสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นๆ เป็นสิ่งที่เหมือนฟองเมื่อเสียเป็น ทำให้เรียนรู้เพื่อล้มๆพวกนี้ไปตรราชาตรราชๆพยายามๆจริงๆ แล้วเราจะมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นใจ โลกก็สบายดีก็สบายดีโลกก็รื่นรมย์ดีเลิศอ่านี่เป็นเรื่องของสัจจะธรรมจริงๆนะเกิดมามันมันน่าเสียดาย ไม่อาตมาบรรยายไม่เก่งฟังแล้วเออฟังดูดีนะน่าเชื่อถือนะลองเอาไป เลิกก็สวรรค์ที่จะต้องโกรธๆเลยเราตามชําระไม่รู้จักจุด ใครจะทํายังไงเนี่ย